วันนี้เป็นวันที่สามสิบกรกฎาคมห้าสองเป็นวันพระเป็นวันปฏิบัติธรรมของพวกเราวันหนึ่งและพวกเราได้พร้อมกันมาทั้งครวญญาติโ ย, ยมทั้งพระสงฆ์แต่ว่าการสั่งสอนแนะนำสั่งสอนในภาคปฏิบัติเรื่องจิตตภาวนาหลวงพ่อเองก็ได้คิดเหมือนกัน ถ้าพูดไปเหมือนกับซ้ำซ้ำซัำกซากแต่จะทำยังไงได้ถ้าว่กพวกที่มาอยู่ก่อนก็ได้ยินได้ฟังหลวงพ่อพูดก็เหมือนหลวงพ่อพูดซ้ำซากอันเก่าให้แก่พวกเราได้ฟังได้ศึกษาแต่พวกใหม่ก็ถือว่าเป็นใหม่เพราะเหตุไรเพราะยังไม่เคยได้ยินได้ฟังเพราะนั้นหลวงพ่อเองจะพูดแต่เรื่องใหม่ไปเรื่อยโดยที่ไม่ได้พูดเรื่องเบื้องต้นเรื่องจิตตภาวนาเสเลย ก็มันลักษณะข้ามขั้นสำหรับผู้ที่เข้ามาศึกษาใหม่ผู้เข้ามาศึกษาใหม่ควรจะเรียนรู้ตั้งแต่เบื้องแรกว่าการปฏิบัติตนนั้นทำอย่างไรอย่างนี้เป็นตน้นเพราะนั้นหลวงพ่อจึงบางครั้งก็ได้แซวมาพูดเกี่ยวกับเรื่องต้นเรื่องจิตตภาวนาพิธีทาสมาธิทำยังไงวิธีเดินยังกรมทำยังไงวิธีไหว้พระแล้วทาจิตใจอย่างไรทาไมพระพุทธเจ้าจึงให ทำสมาธิสมาธิมีคุณค่าอย่างไรสําหรับพวกเราเอามีความจําเป็นมากน้อยแค่ไหนที่จะต้องทําสมาธิเสิ่งเหล่านี้หลวงพ่อก็เลยวกปุนเวียนพูดเปลี่ยนต่างกล้ำต่าง b าระให้พวกเราได้ฟังได้ศึกษาเพราะนั้นอทุกครั้งถ่าว่าพวกเราได้ฟังได้ศึกษาแล้วเกิดเอ า, เอ า, เอาผ่านไปเข้าสมาธิฟังไป แต่จุดไหนที่ยังไม่เคยได้ยินได้ฟังพวกเราก็เอาส่งจิตออกมาฟังรับรู้รับทราบว่าหลวงพ่อพูดเรื่องอะไรเพราะธรรมะนี่พูดยังไงมันก็ไม่เบื่อถ้าว่าจิตใจของเราไม่มีกิเลสมากจนเกินไปถ้าพวกเรามีกิเลสมากแล้วมันเบื่อเบื่อธรรมแต่ถ้าว่าผู้มีความมุ่งมั่นในธรรมแล้วไม่เบื่อในธรรมได้ยินครั้งนี้เราก็ฟังได้จะยินครั้งต่อไปก็ฟังได้ พอได้ยินหลายครั้งตอลายหนแต่เราปฏิบัติได้ไหมที่ท่านพูดให้ฟังนั้นถ้าเราปฏิบัติได้แล้วก็เออก็น่าจะผ่านผ่านไปแต่ถ้าเรายังปฏิบัติไม่ได้เพียงแต่ทําจิตให้สงบเราก็ยังทําไม่ได้จิตสงบนะแต่ต้องพิจารณาอย่างนี้นะกําหนดอย่างนี้นะแต่พวกเรายังกําหนดจิตยังไม่ได้ยังทะเลทัลทะลเราจะไปเบื่อในการฟังได้ยังไงเราต้องฟังให้ซ้ำซากอีกเหมือนกันแล้วจากนั้นมาเราก็จะได้ รู้จักวิธีการปฏิบัติกับตนเองแล้วเราจะทํำยังไงจิตใจของเราจะเข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งให้ได้นี่นี่แหละพวกเรามาปฏิบัติมาอยู่ป่ารงพงไพ่อย่างนี้ไม่ได้มาเพื่ออย่างอื่นไม่ได้มาเพื่อมุ่งหวังลาบยศเจริญเสริญเยือนยออะไรทั้งหมดมาเพื่อบําเพ็ญจิตตภาวนามาเพื่อบําเพ็ญทางด้านจิตใจในหลักของพุท ธ, ธ พวกเราบวชเข้ามาแล้วพระพุทธเจ้าให้ทําอย่างไร่พวกเราเชื่อในพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าพวกเราได้ศึกษาได้ฟังดูแล้วว่าธรรมะธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั้นเป็นนิยานิกระทำนาผู้ประพฤติปฏิบัติให้หลุดพ้นจากอาสะวะกิเลสคือไม่มาเวียนไหวตายเกิดในวัฏฏสงสารจริงไหมเพราะว่า เราเห็นคนตายเราเห็นคนแก่เราเหน็นคนเจ็บมันทนทุกทรมานจริงๆแล้วก็เคยเราบางทีเราก็เคยเจ็บเคยป่วยเคยไข้มาแล้วก็เห็นอ่าเราก็เห oh, <no. S 2> <t ot> ็นความเจ็บความป่วยกับใจของเราเนี่ย <t> ท <ot> ี่ท่านบอกว่าให้แยกกายออกจากจิตให้แยกจิตออกจากกายให้แยกกายออกให้แยกจิตออกจากเวทนาคือความเจ็บปวดเวทนาไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา มันดูแล้วมันมันมันแยกยากเหลือเกินเหมือนกับกายกับเวทนาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันถ้าจะว่าไปแล้วก็เหมือนกับกาวตราช้างนะมันติดเวทนากับจิตมันติดแน่นถึงขนาดนั้นอะไรแบบนันเน่ยมันแยกไม่ออกแต่ถึงยังไงถ้าใช้สติใช้ปัญญาพิจารณาดูให้ท่วนทีแล้วเรามันจะมันจะแยกออกได้เพราะพระพระพุทธเจ้าพระแม่ครูบาอาจารย์ท่านแยกออกดูให้ดูให้รู้ให้เห็นอยู่แล้ว เพราะนั้นเราต้องพยายามแยกให้ออกแต่ในความรู้สึกของพวกเรานั้นความเจ็บปวดกับใจของเรานั้นมันแยกกันยากเหลือเกินออหลวงพ่อว่าเหมือนกับกาวตรายช้างนะมันติดถึงขนาดนะเวทนากับจิตจิตกับเวทนากายกับเวทนากายกับจิตจิตกับกาย อ, อมันติดแน่นเพราะนั้นแต่ถึงยังไงก็ตามที่พระพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านแนะนําสั่งสอนว่าให้พยายาม ทำจิตให้สงบและแยกแยะดูให้ได้ถ้าว่าจิตใจของเราไม่เข้มแข็งจิตใจของเราไม่เป็นหนึ่งแล้วเราจะแยกยากมากเพราะฉะนั้นให้พวกเรา ท, ทุกทุท่านนะพยายามทำเพราะว่าพวกเราจะต้องเจอมอรสุมเจอด่านนั้นแน่ๆไม่เป็นอย่างอื่นต้องผ่านด่านนั้นแน่ว่างไงแตอแต่เราจะทำไงเราต้องฝึกซ้อมเอาไว้ก่อนก่อนที่จะผ่านอจุดนั้น เมื่อเข้าไปถึง hmm. จ mm ุด hmm. นั้นเราเราจะไม่เสียท่าเสียทีเราจะรู้เท่ารู้ทันเราจะรู้จักปล่อยรู้จักวางเราจะรู้จักจบรู้จักหลีเราไม่แบกมันทีเดียวถึงยังไงก็เราต้องเป็นผู้แพ้อยู่แล้วร่างกายเนี่ยถึงยังไงยังไงมันก็ถึงจุดจบอย่างที่หลวงพ่อพูดให้พวกเราก่อนที่หลวงพ่อจะขึ้นมาพูดเนี่แหละหลวงพ่อก็พูดให้ฟังว่าเนี่ยหลวงปู่ท่านอายุร้อยปีแล้วนะเนี่ยร่างร่างกายของท่านก็นั่นอ่อน เพียเต็มทนอ่อนละทวยเต็มทนเพราะว่าอายุมากแล้วท่าท่าจะว่าไปแล้วคือร่างกายหมดสภาพแล้วที่จะทำให้แข็งแรงขึ้นมาอีกไม่ได้แล้วแต่ถึงยังไงท่านไม่ทุกข์กับาธาตุขันของท่านเพียงแต่ว่าท่านนำรงทรงธาตุขันของท่านเป็นวันวันไปท่านยังปฏิเสธว่าไม่เอาน้ำเกลือนะ ไม่ต้องชีดยาให้ค่านะเออย่างนีเป็นต้น่ะในความเข้มแข็งของท่านมีท่านบอกว่าข่าไม่กลัวตายนะเอข้าอยากจะตายต่างหากให้มันจบๆไปเพราะว่าขันทั้งห้านเป็นภาระอันหนักเหลือเกินอถึงยังไงยังไงมันก็ต้องถึงจุดจบอยู่แล้วแต่ว่าข่ากลัวเจ็บกลัวปวดบ้างแต่ทํำยังไงได้อมันก็ต้องเจ็บต้องต้องเจ็บต้องปวดซะก่อนเอต้องจัน ต้องหันใจผือซะก่อนหันใจขาดซะก่อนไม่อยาค่อยตายถ้าไม่ถึงขนาดท่านเขาไม่ตายทำยังไงได้เราก็ต้องรู้เท่ารู้ทันมันนั่นแหละสิ่งเหล่านี้กูบายอาจารย์ที่ท่านประพฤติปฏิบัติมาแล้วท่านจะพูดแบบเด็ดเดี่ยวอาตถานให้แกพวกเราได้ฟังได้ศึกษาตรงกันข้ามกับพวกเราถ้าหางว่าเจ็บไข้ได้ป่วยมาแล้วถ้าว่าไม่ได้ปฏิบตัต ไม่ได้คิดไว้ก่อนมีแต่ทุรนทุลายกระซับกระสายบ่นเพอ้เอว่าทำไมไม่รักษาขา้าทำไมไม่ดูแลขา้าทำไมไม่เอาหยุกอ้อยยาที่ดีมารักษาขา้าจะบ่นเพ้อไปในทางนั้นเพราะนั้นถ้าผู้ปฏิบัติจิตภาวนาแล้วจะรู้รู้เท่ารู้ทันร่างกายถึงจะรักษาขนาดไหนก็เท่านั้นแหละต้องมีจุดจบวันหนึ่งแน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นนะ เพราะนั้นพวกเราทุกๆ ท, ท่านนะหลักของพุทธศาสนาพนระพุทธเจ้าท่านสอนแนะนำพุทธท บ, บริษัทสี่ขององค์ให้มีทานมีศีลมีภาวนานเป็นแนวแถวภาคปฏิบัติสําหรับพวกเราสําหรับฆราวาสญาโยงให้มีทานนะล้วก็ให้มีศีนนะและกให้ภาวนาเนะ่ยท่านไม่ให้ทิ้งอันใดอันหนึ่งมันไม่ใช่มีแต่ทานอย่างเดียว ถ้าศีลไม่มีก็ไม่ได้ภาวนาไม่มีก็ไม่ได้มีทั้งทานทั้งศีลทั้งภาวนาสรุปแล้วก็คือสามอย่างเสามขาอย่างเสามขาอย่างมันจึงไม่ล้มเหมือนกันนะเอเพราะว่ามีความจําเป็นทุกอย่างทั้งทานทั้งศีลทั้งภาวนาแต่หลวงพ่อวันนี้หลวงพ่อจะพูดเรื่องภาวนาเพราะาเรื่องพูดเรื่องทานเรื่องศีลมาพูดม า, มามากแล้วคุณค่าของทานคืออะไร คุณค่าของศีลคืออะไรแต่คุณค่าของทางภาวนาหลวงพ่อกได้พูดบ้างก็ไม่มากเพราะว่าการสถานที่เวลำเวลาไม่เอื้ออำนวยบางทีก็พูดแต่เรื่องภาวนากระทำให้ผู้ฟังฟังไม่จุใจหรือว่าฟังไม่เข้าใจหรือว่าเราพูดเรื่องกิจภาวนาให้แก พวกนั้นฟังมันสูงเกินไปมันลึกเกินไปกว่าที่พวกผู้ฟังจะรับได้แต่ตามไม่จริงถ้าว่าในหลักแล้วถึงจะรับไม่ได้ก็ต้องพยายามรับให้ได้เรื่องจิตภาวนามันเป็นหน้าที่ของพวกเราท่านทั้งหลายจะต้องประพฤติปฏิบัติเรื่องจิตภาวนาพระพุทธเจ้ า, ยยาสอนทำให้ทำอย่างไรที่พระพุทธองค์เองที่ท่านทำนกับพระองค์เอง ก็วันตัดรู้ธรรมเป็นวันแรกที่โคลนต้นโพนั่นแหะท่านก็บอนั่งขัดสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทำกายให้ตรงดำรงสติเฉพาะหน้ามีสติสัมปะชัญญะสติคือความระลึกได้สัมปะชัญญะคือความรู้ตัวให้มีรู้ความรู้ตัวอยู่ตลอดในขณะที่กำหนดลมหายใจเข้า ว่ารู้หายใจเข้าหายใจออกครัว่าหายใจออกนี่แหละคือกรรมฐานของพระพุทธเจ้าแต่ยังไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้านะท่านยังเป็นสิท ธ, ธัะอยู่ในช่วงนั้นเพราะท่านยังไม่ได้ตัดรู้ท่านยังเป็นพระโพธิสัตว์อยู่ในขณะที่ท่านภาวนานะแต่พร้อมที่จะเดินเข้าสู่เป็นพระพุทธเจ้าจะต้องตัดรู้เองโดยชอบสยาภูรู้แจ้งโลกในคืนวันเดือน6กเพนนนั้น อันดับแรกหนึ่งท่านคนนั่งเข้าสมาธิอย่างพวกเราท่านทั้งหลายนั่งนี่แหละอที่พระพุทธเจ้าสอนอยังไงพวกเราก่คนนั่งพยายามนั่งขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทํากายให้ตรงคือให้คล้ายกับว่าไม่เอ็งไปข้างหน้าไม่โงูเงินไปข้างไปซ้ายไปขวาเอไม่ก้มจนเกินไปนั่งให้ตรงจากนั้นก็กำหนดลมหายใจเข้าอ่า รู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกมีสติสัมปะชัญญะในลมขาหายใจเข้าออกนั้นเนะี่ยพวกเราฝังไว้ให้ดีนะนี่แหละกรรมฐานของพระพุท ธ, ธเจ้าแต่ต่อมานี่หลวงปู่มั่นทันว่ากรรกําหนดลมหายใจเข้าออกนั้นมันน้อยเกินไปมันสั้นเกินไปทําให้จิตใจของเรามีช่องว่างมันสวัดออกไปข้างนอกได้ยู ท่านจึงให้บริกรรมสำทับว่าหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทธให้มีอารมณ์เข้าไปอีกว่าหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทพุทโทพุทธโธแต่ไม่ต้องตามลมออกไปและไม่ต้องตามลมเข้าไปในท้องเราให้มีสติสัมปชัญญะอยู่ที่ปลายจมกูกให้รู้ว่าลมผ่านเข้าไปแต่บางท่านบางคนก็อย่างที่หลวงพ่อได้เคยพูดว่า ข้าพเจ้าตั้งแต่เกิดมาข้าพเจ้าไม่เคยกำหนดล ม, ลมเลยแต่เมื่อลมเข้าลมออกมันก็เข้าออกอยู่แต่ว่าไม่มันไม่รู้มันกระทบที่ไหนมันผ่านที่ไหนเพราะมันเคยชินเกิดมาตั้งแต่เกิดมาก็ลมผ่านได้กจมูกแต่เด็กจนถึงโตขนาดนี้ละกำหนดมันไม่ได้ถ้าลักษณะอย่างนั้นถ้ามันเป็นอย่างนั้นกำหนดไม่ติดอย่างนั้นให้ลูพวกเราหายใจแรงๆอ่าหายใจรงแรงดูซิ เอ่มันลมมันเข้าที่ไหนสืบลมหายใจเข้ามันติดกระทบที่ไหนและกิกระแทกลมออกแรงแรงมันกระทบที่ไหนจากนั้นก็เอาสติมีสติสัมปชัญญะดูที่มันกระทบที่นี่พอเราจับได้แล้วมันกระทบที่นี่แหละกระทบที่ปลายจมูกที่ดั้งจมูกนี่แหละที่ซานจมูกนี่แหละจากนั้นเราก็เอาสติอยู่ที่นั่นถึงเวลาหายใจเข้าเราคุณบริกรรมว่าพด เวลาหายใจออกเราก็บริกรรมว่าโทรแล้วนั่งนานขนาดไหนหลวงพ่อเอาให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้ถ้ามันปวดแข้งปวดขาล่ะจะทำยังไงอา้าวปวดแข้งปวดขาถ้ามันไม่ไหวจริงๆก็ขยับได้ขยับไม่ใช่ว่าพอออกจากสมาธิออกไปเลยเไม่ใช่ขยับไม่ได้ไม่ใช่อย่างนั้นขยับไดเ้เราปวดแล้วก็ขยับได้แต่ยาขยับบ่อย ถ้าขยับบ่อยสมาธิมันจะเคลื่อนบ่อยไม่ดีต้องอดทนแล้วก็ขยับบ้างถ้ามันไม่ไหวพยายามนั่งทั้งคืนก็ยังได้ถ้ามันปวดมากๆเอาขยับถ้ามันไม่ามันไม่ปวดก็นั่งต่อ อ, อย่างเนี้ในคืนเอาทั้งคืนดูสิวันพระอย่างนี้ทดลองดูน ะ, ะให้พวกเราภาวนาทดลองดูคืนวันพระทุกวันพระเลยอดนอนดูสิ เป็นยังไงการปฏิบัติมันต้องมีหนักมีเบาได้มีแต่นอนอย่างเดียวก็ไม่ได้หนักอย่างเดียวก็ไม่ไหวอย่างวันพระอย่างเนี้ยควรจะสมาทานเข้าไปเจ้าจะถือเนชชี้เข้าไปเจ้าจะไม่นอนในคืนวันนี้อย่างเนี้ยแล้วก็มีอริยาบทสามเยินเดินนั่งพอเดินเดินเหนื่อยแล้วก็มานั่งพอนั่งเสียแล้วก็ยืน แล้วก็เดิน เ, เปลี่ยนอริยาบทจนถึงสว่างทดลองดูซิอันนี้แหละคือการปฏิบัติถ้าว่าพวกเราไม่เข้มงวดขวดขันก่อนแล้วนินกินแล้วนอนอไม่ได้ปฏิบัติอย่างไรพอนั่งปวดขาหนึน่งก็ขยับแล้วก็นอน ง, ง่ายผึ่งอะไรจะเกิดขึ้นไม่มีความอดทนเลยไม่มีความมุ่งมั่นเลยกาลังใจของเราไม่มีถ้ากาลังใจไม่มีแล้ว จะสู้อะไรกับไม่ได้ทั้งนั้นะกําลังใจนี่สำคัญมากนะ เ, เพราะฉะนั้นหลวงพ่อจึงพูดปลุกให้เกิดกําลังใจกําลังใจ เ, เป็นสิ่งที่จําเป็นสําคัญมากในครั้งพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านก็ปลุกพระสงฆ์เหมือนกันนะเอมีพระสงฆ์องค์หนึ่งท้อแท้อ่อนแอท า, านวะันนะในวัดป่าเชตวันมหาวิหารไม่สู้ใจถอยว่างั้นแต่ถ้าเป็นรถก็เข้าเกียร์ถอยว่างั้นแต่ใจไม่สู้ พระพุทธเจ้าแนะนำว่าศีล ส, สมาธิปัญญานะเกิดแก่เจ็บตายน ะ, ะแต่พระองนั้นรู้สึกว่าไม่เอาคงจะไปเจออารมณ์รักในรูปในเสียงในกลิ่นในรสตรงไหนก็ไม่รู้เรางั้นเหรเข้าเกียร์ถอยชักจะไม่สู้แต่คงจะเป็นพระองค์ที่สำคัญพอสมควรคงจะมีศั ก, กุลพอสมควรแต่นี้พระสงฆ์ก็มาพูดกราบทูลพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าบอกว่าเอ้ยพระภิกษุมานี่พุทองค์ก็บอกว่าเธอต้องสู้นะถ้าไม่สู้ไม่ได้นะโลกวันนี้โลกต้องสู้แต่ถอยไม่ได้ต้องปลุกกําลังใจตัวเองไม่ว่างานประเภทไหนไม่ว่าการธรรมาราชการงานเมืองออตำรวจทหารข้าราชการทุกหน่วยทุกเหล่าพ่อค้าประชาชนทํามาหาเลี้ยงชีพทํารั้วทาสวนทําไร่ทํานา ชีวิตต้องสู้จะถอยไม่ได้ถ้าถอยแล้วก็นั้นแหละเป็นเบี้ยล่างถ้าถอยถ้าสู้แล้วนะ่ะจะเกิดประโยชน์ใครใครก็เห็นแล้วก็ชมก็เห็นแล้วก็ชมยกย่องสรรเสริญนักนินคือนักสู้คือไม่ไม่หลาะแหละไม่ถอยหลังเอแต่ถ้าว่าเราทําอะไรหล่อหล่แหล่แหล่ถอยหลังเป็นที่ตําหนิของปลาชญอเป็นที่ตําหนิของ ผู้มุ่งมั่นเป็นที่ตำหนิของผู้แนะนำสั่งสอนเพราะฉะนั้นท่านอย่าอย่าทําให้อ่อนแอนะเอเห็นไหมบัณฑิตในครั้งก่อนท่านเป็นนักสู้จริงๆนะเอท่านจึงเอาชนะได้ได้ครองราชสมบัติเพราะท่านเป็นนักสู้พระสงฆ์ทั้งหลายได้ยินก็เลยกราบถูลพระพุทธเจ้าว่าบัณฑิตในครั้งก่อนนั้นเป็นอย่างไรพระพุทธเจา้าข้าถือว่านักสู้นั้นพระพุทธเจ้าบอกว่า พระเจ้ากรุงพาราณสีพระเจ้าพมทัดของราชกรุงพาราณสีมีลูกชายาดูดูแลลักษณะดีจะต้องเป็นทายาทจะต้องเป็นพระเจ้าเป็นินแทนพระองค์ได้ดูแลลักษณะท่าทางดีพระองค์ก็เลยส่งไปเรียนที่เมืองตะกัศิลาอายุเมือ่ออายุสิบสองปีเมื่อไปเรียนจุทเมืองตะกัศิลาจนมีอายุ สิเจ็ดสิบแปปีเป็นหนุ่มขึ้นมาแล้วก็จบวิชาจบวิชาทางการปกครองจบวิชาทางอาวุธยุธโทโภปกรณ์ในการใช้อาวุธสรุปแล้วก็คือเป็นผู้นําเป็นผู้นําของประเทศได้เหมือนกันแต่เรียนวิชาที่ตรงไหนที่จะเป็นเป็นผู้นําของชาติได้ทิศประโมกสอนเพราะว่าผู้นี้คือ เป็นลูกชายของพระเจ้าพมพท์เนี่ยนั่นก็มีสมื อ, อไปเรียนหนังสือก็พกเอาเพชรนินกินเอาพวกทองไปเป็นค่าบูชาพระคุณอาจารย์ด้วยเมื่อเรียนจบแล้วก็อาจารย์ก็มอบอาวุธทั้งห้าให้ทีนี้มีหอกซัตดมีค้อนมีขวานมีธ น, นูมีดาบว่า ง, งั้นอ่ะ แต่ชื่อของท่านเคยชื่อว่าปัญญาวุฒกุ ม, มารชื่อว่าปัญญาวุฒกุ ม, มารพี่ผู้ปัญกุ ม, มารที่มีอาวุธห้าอยู่ในตัวเามือนกันคือพร้อมที่จะใช้อาวุธทั้งห้าอย่างคล่องแคล่วเหมือนกันทีนี้อาจารย์ก็มอบอาวุธทั้งห้าอย่างให้ด้วยแต่นี้ก็พอแล้วจบวิชาจบแล้วนะอาจารย์ก็บอกวิชาที่เราสอนเนี่ยจบแล้วกลับไป หาพระปิดาได้แล้วแต่นนี้ก็พอชายหนุ่มคนนั้นก็นมาเดินมาโอ้ถ้าเดินทางโค้งเนี่ยมันก็ไกลเกินไปถ้าเดินทางตรงมันก็มีคาว่ามีอมนุษย์เอมียักษ์คอยจับคนกินอยู่อแต่ถ้าเราเดินทางโคง้งก็ไกลเกินไปเอา้าเรามีอาวุธทางห่างแล้ววะเราไปตรงตรงนี่แล้ววะ อะไรมันจากมากรรมาได้สู้มันนักสู้เนี่ยไม่ถอยอยู่แล้วว่างั้นเถอะทีนี้พอเดินมาเข้ามาในป่าดงใหญ่พอเขามามาเห็นยักษ์ตัวหนึ่งยักษ์ขนเหนียวว่างั้นเะมันขนมันยาวมันขนเหนียวอ่าหัวมันบากใหญ่มันนะปะตาลูกโปนอีกต่างมีเขี้ยวงอกอีกต่างหากเอท้องมันด่างอีกต่างหากตัวมันสูงมือมันเขียวว่างั้นนะที่ท่านบรรยายใน ในพระไตรพิโลกนะอในชาดกนะั่นนะพอเห็นโอ้อันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่มนุษย์นะมันเกินกว่ามนุษย์นะอันนี้ถ้าไม่เป็นอนมนุษย์ก็เป็นยักษ์แน่ๆงัน้นะคืออนมนุษย์ก็คือเป็นพวกผีจนะําแลงเหมือนกันเถอะอันนี้คงจะเป็นยักษ์นะ่างือนกันแต่เอาเถอะมันมาถึงจุดนี้แล้วข่าถอยไม่ได้เหมือนกันข่าจะต้องใช้อาวุธให้เต็มที่เลยเหมือนกันเทนิปัญญาวุธกรมัน ตามปกติคนเห็นขนาดนั้นแหละเห็นผีขนาดนั้นเห็นยักษ์ขนาดนั้นแล้วมันเข่าอ่อนเลยเนะมี่ยมจะเจวิ่งหนีเลยยักยักษ์ไม่แต่ค้าจับมาแล้วก็บิดคอกินเป็นอาหารเนหะมือนันแ ต, แต่ปัญญาวุฒิคุมมาเนี่เอเดินเข้าไปโอ้มึงเป็นยกักษนะ์หรือวงั้นเอไม่มึงก็กูลวนะวะกั้นนะเนี่ยเมื่อนพระพุทธเจ้าท่ า, าบักปุกว่าให้บให้สู้เหมือนกันเถอะอย่าถอยเหมื้นกันเถอไม่ฆ่าก็เองนะวะฆ่าวเนีะนะ้ย่หมือน เดินเข้าไปก็พอเห็ น, นกับบอกบอกกับยักษ์เลยไอ้ยักษ์ น, กนั้นหะนีบอกหนีนะนี่ข้าจะเดินทางกลับไปเมืองกรุงพาราสีข้าเนี่ยน่ยชื่อว่าปัญญาพุทธกุ ม, มาร น, นะผู้มีผู้ใช้อาวุธทั้งห้าประการถ้าเธอกลัวตายอะไรอย่าอย่ายุ่งนะถ้าไม่กลัวตายแล้วก็จะลองดีกันก็ลองได้คนัน ตอนี้ยักิก็เฉยเลยมันไม่กลัวคนอยู่แล้วใช่ไหมทีนี้ปัญญาวุฒิกูมานก็หนีแล้วไม่หนีเลยยักษ์มันบอกไม่หนีเอทีนี้ก็ปรับเตรียมธนูไว้แล้วเห น, นกันแต่ธนูก็พร้อมเตรียมไว้แล้ว อ, อจากนั้นก็เอาธนูมาก็ปล่อยลูกศอนใส่เลยอะไรพวกนั้นแต อ, อลูกศอนสอนอาบยาพิษใส่เข้าไปไปติดตะขอนมันบางทีไปติดตะขนยักษ์บางที ใส่เข้าไปทน้ลูกฉอนั้นห้อยทุกอันเลยว่ามันมันไม่ถึงหนังของมันอีกต่างหากลูกทางไปติดแล้วกันห้อยหมดเทนตั้งห้าสิบลูกโทษมันไม่ได้เทเน้มึงหนีนะกูยิงมึงไม่เข้าเดี๋ยวกูจะเอาดาบฟันหนูกันชักดาบออกมาดาบยาวสามสิบองค์คุรีโมคงจะยาวเติบอย่างมั้งคงจะประมาณสักสามศอกนะถอดมาได้เลย เมึงอกี้เลยเมืนีวานโดดปีเข้าไปฟันเลยวะนะพอฟันเสร็จแล้วดาบตัวนั้นก็ไปติดอยู่ขนหนักขนยักษ์อีกวหมือนกันเถอะพอติดขึ้นมากก็ฟุตเฟือกออกมาอีกวหมือนกันเถอะอ๋อมึงมึงเอาอีกแล้วเออมึงไม่หนีแล้วไม่อวากูจะเออเอาเหลาชัดมึงแล้วกันเอาเหลามาก็ชัดเข้าไปอีกไปติดขนอีกอย่างเก่าโดดฟุตเฟือกออกมาอีก พลิสูก็เลยเอาขวานเข้าไปฟันเอาค้อนตะพธิเข้าไปตีขาเหมือนกันติดอีกพลนิสูก็ยังไม่ยอมมึงไม่หนีแล้วไม่หนีเอาอาวุธทั้งห้ากูมีกำปั้นกูมีเท้า ก, กเากูมีศอกเข่ากูมีเหมือนกันพลนิสูรก็โดดเข้าไปกับกำปั้นชกขาขาวาก็ติดชกซ้ายก็ติดเตะขาวาก็ติดเตะซ้ายก็ติ ด, ต, ดติดกลังเลยเจนี่ อยังหัววะนี่หัวชนเข้าไปอีกติดหัวอีกที เ, เออพวกน่ะสู้ถึงขนาดนั้นเลยปัญญาวุฒิกุมารและยังคู่อีกว่าเอ้ยยักษ์ถ้าเมืองกินกูเข้าไปเพชรอยู่ในท้องของกูนีย่ยังมีอีกนาวเหกันถ้าเมืองกินเข้าไปเมืองท้องเมืองทะลแุแน่แน่เหกันกูกืนเพชรนะเมืองเข้าใจไหมวันคําว่าเพชร ต, ตัวนี้ก็คือปัญญาเหมือนกันแต่แต่ยักษ์นี่มันปัญญาอ่อนก ว, าว่าเหมือนกั มันก็เลยโอ้โหถ้าขืนกินคนขนาดนี้เข้าไปเนี่ยกูไม่เคยเห็นใครเลยที่จะเก่งกล้าขนาดนี้นักสู้ขนาดนี้ถ้ากูขืนกินเข้าไปนี่เออท้องกูต้องทะลุแน่เลยพลที่สุดยักตัวนั้นก็เลยเอยบอกว่าปัญญาวุฒิกุ ม, มารข้าไม่เคยเห็นใครเลยที่จะเก่งกล้าถึงขนาดนี้สู้ถึงขนาดนี้อ่เพราะนั้นข้าไม่กล้ากินตะแก่หรอก ถ้ากินเขินขืนกินตะแก่ก็กลัวจะเป็นอันตรา ย, เ, ยเพราะนั้นข่าให้อภัยข่าไปปล่อยเธอไปกลับไปทราบมันจากนั้นปัญญาวุฒิกุ ม, มารก็เลยสอนยากเกลี่ยที่เธอเป็นยกนักษ์เนี่ยเพราะว่าเธอทํากรรมชั่วในอดีตเธอไม่มีศีลไม่มีธรรมไม่มีศีลห้าเพราะนั้นให้เธอมีศีลห้าซะนะอย่าไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอันนี้สงศิลจะคุ้มครองตะแก่ อแล้วกระตะแกจะมีความสุขต่อไปในสัมปรายยะกภบพบถ้าเธอทํากรำหนักอย่างเนี้ยมีแต่ความทุกข์นั่นแหะจะเข้ามาเหยียบยับใจของท่านอาเพวัะ น, นั้นเอาเราไปแล้วนะเธออยู่ต่อไปนี่แหละอเ น, นชานนั่นก็คือพระพุทธเจ้าของเราคือปัญญาวุฒกุมารคือพระพุทธเจ้ายักษ์ตัวนั้นก็คือท่านหวานได้มาเกิดเป็นองคุลิมานฮะสรุปแล้วก็คือ บริษัทบริวารพอเห็นกันนะถึงจะโกรธยังไงมันก็กินกันไม่หลงเหนนเถอะพร้อมที่จะให้อภัยกันได้เพราะเป็นคนกลุ่มเดียวกันสั่งสมบรรมีเดียวกันครั้งสุดท้ายก็จะได้พึ่งพาอาศัยกันเหนนเถอะนี่แหละยักษ์ตัวนั้นก็เลยยอมสรภาพมานพปัญญาวุฒิกุ ม, มารก็เดินทางกลับถึงกรุงพาราณสีต่อมาก็ได้ ส, สมบัติเพราะพระพยยเจ้าท่านบอกว่านี่นะ ท่านทั้งหลายชีวิตต้องชีวิตต้องสู้อย่าไปอ่อนแออย่าไปปวกเปียกทําอะไรก็าตามอย่าไปคิดว่าถ้าเราอ่อนแอแล้วหมดกําลังใจนั่นแหละคนที่หม ด, หมดกําลังใจนั่นแหละจะทําสิ่งไหนก็ไม่ได้สักอย่างถ้าชีวิตสู้แล้วมันขาดตกบกพร่องที่ตรงไหนพยายามทําตรงนั้นให้ดีขึ้น ถ้าเราการเรียนการศึกษาเราอ่อนเราก็พยายามเรียนศึกษาให้ดีขึ้นถ้าเราขี้เกียจขี้คล้านเราก็พยายามขยันขึ้นถ้าเราจิตใจของเราปล่อยเกินไปเล่นกวนการพนงพนันส ม, มะเลเทเมาเอ่ออวัยวุเกินไปเราก็พยายามทำให้ดีขึ้นอย่าทำในจุดนั้นเออให้เข้มแข็งให้สู้ในเมื่อสู้แล้วความความสำเร็จต้องมีอย่างเราเนี่ย ปัญญาพุทธกุมารสมัยนั้นเราสู้ถ้าว่าเราไม่สู้เป็นอาหารยักษ์แล้วมันทันวานะี่ น, นี้เราสู้จนผ่านมาจนได้ครองราชสมบัติเนี่ยพราะฉนั้นก็นิทานหรือว่าชาดกในเรื่องนี้ประมวลลงมาแล้วก็คือให้พวกเราอยา่าอ่อนแอในการประพฤติปฏิบัติธรรมให้พวกเราเข้มแข็งใ ห, ให้พวกเรามีความอดทนให้พวกเราใช้สติใช้ปัญญาใช้ความสามารถของเรา จากนั้นก็จะประสบความสําเร็จสมความมุ่งมา่ปรารถนาอย่างปัญญาวุฒิกุ ม, มารเป็นตัวอย่างเนี่ยอันนี้ก็คือพระพุทธเจ้าท่านพูดแนะนําพระสงฆ์ที่องค์หมดกําลังใจองค์นั้นก็เป็นภูมิก็ตือหรือลุนขึ้นมาทีนี่สู้ว่างั้นเถอะสู้ปฏิบัติธรรมให้เข้มแข็งจากนั้นท่านก็ได้สําเร็จมักสําเร็จผลนั่นแหะนี่แหละพวกเราท่านทั้งหลาย วิธีการทําสมาธินะ่ะต้องสู้นะไม่ใช่มันปวดแข้งปวดขาหน่อยหนึ่งแล้วก็หยุดเวลาเราเรานั่งเอฟังวิทยุโทรทัศน์นิยายฟังหมอร้องหมอรําเอาสู้เฮ้น้าปากน้าลายไหลาปากเรียัอย่างสู้อยู่ยงั้นแต่พลิกซ้ายพลิกขวาจังสู้อยู่ทั้งคืนนะแต่พอเรานั่งสมาธิหน่อยเดียวว่าปวดแข้งปวดขาเราก็ปวดโอ้ทําไมนั่งสมาธิปวดขาเวลาเรานั่งอย่างนั้นปวดขาทําไมเราไม่บ่นน่ แสดงว่ากิเลสภายในใจของเราเนี่ยมันเป็นกระตักกระตักเลยว่างั้นเถะ่มันไม่พยายามไม่ให้พวกเราสั่งสมคุณงามคนดีไม่ให้สั่งพวกเราสร้างความดีแต่สิ่งไหนที่เป็นหายนะเป็นที่สิ่งที่ใจชอบแล้วเราจะทำสิ่งนั้นได้เต็มที่เนี่ยเพราะนั้นพวกเราทุกๆ ท, ท่านนะเรื่องสมาธิเวลานั่งสมาธินะ่ะต้องสู้อ่ากหนดลมหายใจเข้าพุทหายใจออกโทหายใจเข้าพุทธหายใจออกโท พยายามนั่งให้นานนานเท่าที่จะนานได้พอนานลุกขึ้นมาเดินขาขวาพุทขาซ้ายโถเดินพุโทโตพุโทโถเดินจง ก, กลมที่วัดของเราที่พวกเราเห็นไหมถนนที่รอบวัดนะตรงไหนที่มันยาวๆพอเตือนสว่างขึ้นมาได้เราเดินเลยเราจับจุดนั่นเดินหากิ่งไม้ไปขวางทั้งสองข้างนะเพื่อไม่ให้มันเดินข้ามเราก็เดินถึง เก่งม้แล้วก็กลับมาแล้วก็ถือมะเกี่งไม้เนี่ยกลับไปดูเดินทางที่เรียบๆหาที่เรียบๆมันมีเยอะแยะไปทางจะเดินเชงกรมทีนี้ในวัดของเรานะในท่าว่าพวกเราฉลาดท่าว่าพวกเรามีแต่อ่อนแอมีแต่นอนอย่างเดียวก็อย่างว่านะนั่นแหะเออมันจะมันก็มีแต่เออความล้มเหลวนในจิตในใจของพวกเราท่าว่าพวกเราสู้อย่างปัญญาวุฒิกุมา น, น, ะนะพวกเราจะ เห็นคุณค่าของสมาธิจิตใจของเราจะเข้าสู่ความสงบเมื่อจิตใจเข้าสู่ความสงบแล้วฝังลึกอะไรทีนี่ธรรมะเป็นปัจจตังผู้ปฏิบัติเองยอมรู้เองเห็นเองทีนี่นี่แหละเมื่อเรานั่งสมาธิทำจิตใจให้สงบเรานั่งพยายามนั่งยืนเดินนั่งเพื่อเรามีความพยายามมีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นอยู่ตลอดไปลําเวลา พยายามไม่ให้เผลอให้มีสติสัมปชัญญะอย่างที่ว่านะอยู่ในกายตลอดอีกสักวันหนึ่งจิตของเราจะเข้าสู่ความสงบเขยเนอะจิตเข้าสู่ความสุขจิตสงบมันเป็นยังไงหลวงพ่อนะี่พวกเราก็คงจะจะถามอีกจิตสงบนั้นมีสมาธิมีอยู่สามขั้นในหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้สามขั้นคณิกะสมาธิ อุปจาระสมาธิอัปปนาสมาธิกันทกะสมาธิในเวลาเรานั่งเอสมาธิกําหนดลงมีสติสัมปชัญญะอย่างที่ว่านะไม่เผลอไผลไปที่อื่น่ะอจิตใจของเราอยู่กับตัวเอจากนั้นสมาธิจิตของเราจะเข้าสู่ความสงบอมันจะมีเหมือนเหมือนกับน้ําหรือว่ามันเหมือนกับไฟ แสงสว่างเข้าสู่จิตใจอมลงศสนวาบแต่วาบคราวนี้เป็นมีความเป็นธรรมชาติแต่เป็นเย็นมีความสุขมีความสุขมากแต่เป็นเวลาไม่นานเพียงชั่วครู่เดียวเท่านั้นเองอันนี้เรียกว่าจิตเข้าสู่ความสงบเป็นอันดับแรกเป็นครั้งแรกเรวบอกขั้นอีกะบางทีคนเราก็ตื่นอพอพันจิตเข้าไปอย่างนั้นเล ตนอกรู้ตื่นพอตื่นมันก็ถอนออกไปแหละสิทานออกไปแต่ถึงยังไงก็ตามจิตอย่างนั้นใจอย่างนั้นความรู้สึกอย่างนั้นจาไม่ลืมในใจของเราจาไม่ลืมโอ้มันจิตมันเป็นใจมันเป็นยังไงทำไมมันเย็นมีความสุขอย่างนี้ว่าแต่มันเพียงชั่วคู่ขนาดนี้ก็ยังมีความสุขขนาดนี้เย็นสบายเหลือเกินนะมันไม่ลืมในใจของเราอันนี้เราบ่าคันดิกะสมาธิ แต่เราพยายามเราไปจะามคิดว่าอยากจะให้มันเป็นอย่างเมื่อกี้นะอยากจะให้มันเป็นอย่างเมื่อวาน่ะอยากจะให้มันเป็นอย่างนั้น่อย่าคิดอย่างนั้นหาใหม่ถ้าเราคิดอยากจะให้เป็นอย่างนั้นมันจะไม่เป็นอให้ดูเอาไว้นะอันนี้ก็ให้เรียนเอาไว้เทคนิคตัวนี้อย่าไปคิดว่าอยากจะให้มันเป็นอ่ะล้มันผ่านไปก็ผ่านไปแล้วถึงจะทานอาหารอร่อยอยังไงมันก็ผ่านไปแล้วอมันเป็นอุจจระไปแล้วไม่ต้องคิดถึงมันอีกล่ะต้องหาใหม่ต้องหาอาหารตัวอื่นมาทานอีก บางทีอาจจะอร่อยกว่าตัวนั้นก็ได้แต่นี่ก็ ก, ก, กำหนดใหม่อีกแต่ให้มีสติสัมปชัญญะอย่างเก่าด้นะให้มีสติกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออก อ, อ, อย่างเวลานั่งกัให้มีสติอยู่ในตัวของเราการเคลื่อนไหวของเราเราคิดเรื่องอะไรขณะ น, นี้เดี๋ยวนี้ให้มีสติอยู่ในความนึกคิดและก็อยู่ในกายอยู่ในกายด้วยด้วยอยู่ในความนึกคิดของเราด้วยไม่ให้ส่งฟุงฟ้งออกไปข้างนอก ถ้าเราทำอยู่อย่างนี้สม่ำเสมอจิตของเราจะเข้าสู่ความสงบ ม, มากกว่านั้นถิมันจะเข้ามันจะค่อยอยู่อยู่อยู่จิตของเราจะไม่ปุงไม่พุ้งออกไปข้างนอกมันจะรู้เท่ารู้ทันรู้ร่างกายของเราว่าเรานั่งอยู่ณสถานที่ใดเราพูดเรื่องอะไรเราก็ทำยังไงเราเคลื่อนไหวยังไงเฮเราจะรู้ได้ตนด้วยตนเองถิจิตไม่หิวไม่หยไม่กระวนไม่กรวาย ไม่กระซับกระสายไม่ปรุงไม่ฟุ้งไม่สานเท่นี่สติกับจิตเนีควบคุมกันอยู่เออแต่จะให้สงบนิ่งไม่ใช่รู้ได้ทุกสิ่งทุกอย่างแต่จิตของใจของเราไม่ส่งออกไปนอกรู้ว่าร่างกายเคลื่อนไหวไปมายังไงเรารู้อันนี้เราบอกจิตที่เป็นอุปจารสมาธิเออแต่มันจะไม่ส่งมันจะมันจะไม่คิดเรื่องออกนอกลูกนอกทางมันจะไม่คิดปรุงเรื่อง หิวเรื่องยาเครื่องอะไรทั้งหมดเรื่องโรคเรื่องสงสารมันจะไม่ส่งออกไปมันจะอยู่อยู่ตามอยู่ที่มันจิตอยากจะให้สมาธิควบคุมเอสรุปแล้วก็คือตํารวจควบคุมนักโทษอยู่ได้แล้วงั้นแต่แต่ก่อนมันเป็นนักโทษหัวแหลมบางงั้นแ่หลบไปลบมาลบมาลบไปหลบไปลบมาแต่ทีนี้ข่าวนี้สติของเราเหมือนกับตํารวจจับไปจับผู้ร้ายบางงั้นะอยู่ เออควบคุมให้อยู่ได้เ อ, อจะคิดเรื่องอะไรจะทําเรื่องอะไรจะพิจารณาอะไรใจดวงนั้นจะอยู่เออไม่หิวไม่หย่ยไม่ปุงไม่ฟุง้งไม่ซานเลยนี่แหละอันนี้เรียกว่าอุปจารสมาธิเ อ, อจากนั้นเราก็มีความพยายามเ อ, อดูใจของเราอยู่ตลอดเมื่อกินเป็นอุปจารอุปจา ร, จารสมาธิแล้วเราไม่คิดปุงออกไปข้างนอก เราก็ดูใจของเรากำหนดดูใจของเราสติกับใจของเราเนี่ยไปด้วยกันเหี่ย็นร้อนหนาวหิวกระหายเสียงอะไรมากระทบก็ได้ยินแต่ไม่ส่งออกไปข้างนอกเ อ, อันนี้จิตประเภทเหียวจิจิตอุปจารสมาธิจากนั้นเรากำหนดดูอีกใจของเราจะเข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งลึกลงไปอีกถึงเนีลกลงไปอีกจิตที่เป็นมันลงไป จากจุดนั้นลงไปข่าวนี้ลงไปถึงอัปปนาสมาธิอัปปนาสมาธินี่จิตเป็นอันใดสติเป็นอันนั้นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเลยเนอะแต่ก่อนยังยังสติคุมจิตอยู่นะเออสติคุมจิตไม่ให้จิตคิดปุ่มพุ่งไปทางอื่นแต่พอมันลงไปแล้วสติเป็นอันใดจิตเป็นอันนั้นจิตเป็นอะไรชติเป็นอันนั้นมันจะนิ่งอยู่ด้วยกันทีไนไง เราจะไม่ได้ยินเสียงภายนอกไม่ได้รับรู้สิ่งภายนอกเลยเรานั่งอยู่ณสถานที่ใดเสียงอะไรเสียงพดเสียงราเสียงฟ้าร้องเสียงคู่คนเราจะไม่ได้ยินทั้งนั้นเออมันจะเงียบนิ่งเออจังหวัดสติเป็นอันใดจิตเป็นอันนั้นจิตเป็นอันใดสติเป็นอันนั้นอยู่ในอยู่ในอันเดียวกันเออไม่รับรู้ทางกายร่างกายอยู่ณสถานที่ใดไม่รับรู้ทั้งนั้น ฟ้าตกฟ้าร้องไม่ไม่รับรู้ไม่ได้ยินเพราะมันไม่ได้ส่งออกมาทางกายใจเป็นเป็นใจเป็นเอกเทศใจเป็นของตัวเองโดดเด่นมากเ อ, อสมาธิจุดนี้โดดเด่นนี่แหละจิตแทารู้ถ้าผ่านอัปปนาสมาธิมาแล้วนะพวกเราไม่ต้องถามแล้วว่าตายแล้วเกิดหรือตายแล้วสูญมันรู้ได้ในตนเองมันชัดเจนในตนเองในจุดนี้เ อ, อเพราะฉะนั้น เมื่อเมื่อเราเป็นสมาธิบางคนก็เป็นได้นานนั่งได้นานในที่เป็นอัปปนาสมาธิบางคนก็กำหนดให้อยู่นานก็ได้แต่บางคนก็ไม่ได้นานเพียงเข้าไปก็ประมาณสักถึงนาทีและหนึ่งนาทีบางทีก็สองสามนาทีจากนั้นก็จิตก็ถอนออกมาถอนออกมาข้ามมาสู่อุปจารสมาธินี่แหละนี่แหละมันจะมาถอนออกมาอยู่ที่อุปจารสมาธิ เราจะรู้ได้ด้วยตวนเองโอ้เมื่อกี้เนี่ยจิตของเราทำไมมีความสุขเหลือเกินอหมมันจิตอย่างเข้าสู่ความสงบลึกและมีความสุขเหลือเกินอันนี้หนอที่พระพุทธเจ้าหรือครูบาอาจารย์ท่านบอกว่านัตถิสันติปรังสุขขังความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีจุดนี้เองหนาเนะนนี้เรารู้ได้ด้วยตวนเองถึงเราจะไปถามใคร เอ๊ะผมภาวนาอย่างนี้อย่างนี้จิตของผมสงบไหมเป็นลักษณะอย่างนี้ไม่ต้องถามใครมันรู้มันเชื่อมั่นในตนเองถึงจะถามใครก็เป็นถามลักษณะถามลองเชิงอย่างนั้นแหละแต่ในใจของเราแน่แ น, น่ปึ๊กเลยเหมือนกันะจิตสงบแน่ไม่เป็นอย่างอื่นเลย เ, เพราะว่ามันรู้ได้ด้วยตนเองอย่างชัดเจนเลยไม่ได้สงสัยเลยเมืก่กลเรากินอาหารอิ่มนั้นข้าพเจ้ากินข้าวอิม่มแ้อยังไหไม่ต้องถามเหงนนเะ เพราะมันอิ่มแล้วรู้จักด้วยตนเองอันนี้ก็เหมือนกันสมาธิจุดนี้เราจะรู้ได้ด้วยตนเองนี่อันนี้คือสมาธิทั้งสมาธิทั้งสามขั้นจบลงเพียงแค่นี้ไม่เกินกว่านี้ไปคือสมาธิมีอยู่สามขั้นขณนี้กะอุปจาระอปปนาอปปนาในภาวาสูงสุดของสมาธิจากนั้นก็จิตก็ถอนขึ้นมาแล้วพอถอนขึ้นมาเป็นอุปจารสมาธ อุปจารที่เป็นอั ป, ปนาสมาธินั้นจะพิจารณาอะไรไม่ได้ไม่รู้อะไรทั้งหมดมีแต่จิตเสวยด้วยจิตมีความสุขจิตไม่ปุงไม่ฟุง้งไม่สานแต่พอออกมาเป็นอุปจารสมาธิเถอนี่กําหนดดูได้เถีะนีอกำหนดพิจารณาดูได้นี่แหละจิตที่เป็นอุปจารสมาธินี่จะพิจารณาอะไรีออแต่บางบางครั้งครูบาอาจารย์บอกจิตที่ติดสมาธิ พอเข้าไปนะมันอยากจะเข้าสมาธิไม่อยากจะพิจารณาพอกำหนดเข้าไปมันสบายพอให้คิดนะมันอยากไม่อยากจะคิดมันเหนื่อยไม่อยากจะทำงานแต่พอกำหนดจิตเข้ากุศุความสงบเนี่ยมันสบายมันอยู่นิ่งมันมีความสุขแต่พอให้พิจารณามันไม่เอาละเพราะมันมันทุกข์มันปุงมันฟุ้งให้ออกคิดไม่ได้ไม่เอา นี่แหละ่เว่าจิตติดสมาธิไม่ดีไม่เป็นพนดีแต่ทางว่าเรายังไม่เคยเป็นสมาธิเลยให้เป็นสมาธิก่อนให้รู้รสของสมาธิก่อนถ้าเราไม่รู้ไม่เคยทำสมาธิจิตไม่เคยสงบสเฉลยเราจะไม่เชื่อมั่นในพระพุทธเจ้าไม่เชื่อมั่นในพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอีกต่างหากว่าทำคำสอนของพพุทธเจ้าที่เรียกว่า จิตใจที่เป็นสมาธิมีความสุขอย่างไรเพราะเราไม่เคยเราก็ไม่รู้จักเนาะมีแต่หิวโหยใจิตใจปุง้งฟุ้งตลอดเวลาอันนั้นแปลว่ายังไม่รู้รสของพระธรรมแต่ถ้าว่าพวกเราทําจิตให้สงบแล้วนะะั่นแหะเราจะรู้รสของพระธรรมพระธรรมคําสอนเนี่ยอยู่ในความสงบเนี่ยมีความสุขจากนั้นเมื่อเรารู้รสของพระธรรมแล้วเออที่พรพะพุทธเจ้าว่าให้พิจารณาทางวิปัชนาเนี่ยพิจารณาอย่างไร เราก็มีแกจิตแกใจที่จะพิจารณาขั้นตอนต่อไปอีกเถอนีถ้าว่าจิตของเรายังไม่เคยสงบสเฉลยเนี่ยเราจะพิจารณาอันนั้นก็ล้วก็พิจารณาได้แต่พิจารณาด้วยความไม่มั่นใจแต่ถ้าว่าพอเราทำจิตสงบได้แล้วเราพิจารณาด้วยความมั่นใจนะที่นี่ออมั่นใจในตัวเองเลี่นี่พิจารณาอะไรบังคับให้ออกบังคับให้พิจารณาเออมันจะอยากจะอยู่เมันอยากจะพักผ่อน มันอยากจะเข้าไปอยู่ น, นอนในห้องแอร์เย็นสบายแล้วก็นอนพักรลบประทานอาหารไม่อยากจะออกไปทำงานไม่ได้มันไม่มีผลงานแมมันอยู่ในนั้นไม่มีผลงานต้องบังคับให้ออกเถื่นี่นแหละครูบาอาจารย์มาบาังคับให้ออกจากสมาธิไปพิจารณาเถื่ อ, อสมาธิคือความสงบวิปัชนาคือการหาเหตุผลออใช้เหตุผลการพิจารณาไต่ตรองด้วยเหตุผล เหตุผลอะไรพระพุทธเจ้าท่านว่าเกซาให้พิจารณาให้พิจารณาผมโลมาขนณขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังอันนี้เนยที่ท่านให้เมื่อพระอุปชาที่ท่านสอนเกสาผมโลมาขนณขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังกรรมฐานห้าจากนั้นท่านยังให้พิจารณามังสังเนื้อในร่างกายเรามีเนื้อใช่ไหม เหมือนกับเนื้อหมูเนื้อวัวเนื้อสัตว์ต่างๆในร่างกายของเรามีไหมหนังพุ่มอยู่มันมีไหมเนื้อมีแนนะ่กระดูกปีไม้มีเอ็นมีไหมมีตับมีไหมมีปอดมีไหมมีลำไส้มีไหมมีในร่างกายของเรามีอวัยวะอาการสามสิบสองอย่างในร่างกายของเราใช่ไหมถามใจของตัวเองถามตัวผู้รู้ๆนั่นแหะที่ผ่านการสงบมาแล้วน่ะที่มันชัดเจนในความรู้สึกนั่นแหะ ถามตัวนั้นแหละรู้ไหมใช่ไหมร่างกายเราเป็นอย่างนี้ใช่ไหมใช่มันไม่ปฏิเสธเลยท่าน้เพราะมันรู้เห็นตามความเป็นจริงร่างกายของเราเนี่ยเป็นอย่างนั้นจริงๆริงโครงสร้างกระดูกใช่ไหมเป็นโครงสร้างของร่างกายใช่ไหมใช่แต่ร่างกายนีย่จะอยู่ไป็นานจากเท่าไหร่เ อ, อไม่ถึงร้อยปีใช่ไหมถึงจะร้อยปีก็หมดสภาพแล้วใช่ไหมมันจะยอมรับอันนี้คือความเป็นจริงะ เมื่อพิจารณาเนี่ยบอกวิปัสนาวิปัสนาสรุปล้ก็คือวิปัสชนึกนั่นเองนึกคิดน้อมจิตไปนึกไปแต่นึกไปด้วยหลักเหตุผลไม่ใช่ว่านึกลมลมแรงแรงนึกว่าขาจะไปตายคิดว่าจะช่วยงามต่อไปภายภาคหน้าคิดว่าร่างกายนี่จะจะไม่ถึงจุดจบอันนั้นแปลว่านึกแบบลมลมแรงแรงนึกคิดไปเฉยเฉยไม่เป็นไปตามตามความเป็นจริงแต่นึกว่าร่างกายนี่แก่นะ ทาไม่ตายง่ายแก่ไปเรื่อยๆนะหนังเหี่ยวนะฟันหลุดนะตาฝ้าออฟางนะหูหนวกนะเออต่ใช้ไม่เท้านะต่อไปนะเดินไม่สะดวกนะใช่ไหมใจใจมันก็จะวหวชายถ้าผ่านจิตใจผ่านความสงบมาแล้วมันจะยอมรับเปิดใช้ไม่เป็นอย่างอื่นในเมื่อร่างกายของเราเออยังไม่ใช่ของเราเราบอกว่าอย่าแก่หน้ากายนะอย่าเจ็บหน้ากายนะ อย่าป่วยนะกายนะอย่าตายนะกายนะเรายังห้ามมันไม่ได้แลี่เราจะไปยึดว่าร่างกายเป็นของเราได้อย่างไรนี่แหละพระพุทธเจ้าอะย่าไปยึดถือว่าร่างกายเป็นของตัวตนหน้าใจหนะ้าให้รู้เท่ารู้ทันมาใสกับเพียงเอาศัยชั่วครัง้งชั่วคราวเท่านั้นแ่ะจากนั้นก็ร่างกายไปจะต้องแตกสลายลงสู่ดินน้ำลมไฟใจของเราให้รู้เท่ารู้ทันอย่าไปทุกข์กับกายหนะ้าเนี่ คือสอนใจให้รู้เท่ารู้ทันเอาธรรมะเข้ามาสู่จิตใจเข้ามาสอนใจตัวผู้รู้รให้รู้จักปล่อยรู้จักวางอย่าไปยึดมั่นถือมั่นร่างกายเนาะในเมื่อเราไม่ยึดมั่นถือมั่นร่างกายสิ่งนอกกายของเราละ่ะอ่าทีนี้เรามาพิจารณาดูสิ่งนอกกายของเราเนเลือกสวนไรน่นาที่ดินเ อ, อขอบควยลูกเต่าเล้าล้าน วงศาขานายาตพ่อแม่ครูบาอาจารย์ศาลากุฏิพิหารวัดว า, าศาสนาเป็นของเราไหมจะว่าของเราก็ใช่ของเราก็สมมุดขึ้นมาเป็นของเราแต่เนื้อหาสาระตัวจริงแล้วมันไม่ใช่ของเรานะใจนะอย่าไปยึดมั่นถือมั่นว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นของเราอย่างเด็ดขาดนะถ้าเรายึดมั่นถือมั่นว่าเป็นของเราเราโง่นะ เพราะร่างขนาดร่างกายยังไม่ใช่ตัวตนของเราเราเอามาจากท้องแม่แท้ๆเราจึงไม่มันยังไม่เป็นของเราเราจะไปยึดสิ่งเหล่านั้นว่าเป็นของเราเน่ยิตแบบโง่ๆนะใจนะให้รู้เท่ารู้ทันเอาไว้นะเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันปัญญาทีเดียมาสอนใจของเราใจของเราก็จะไม่ลุมล่มหลงมัวเมากับสิ่งเหล่านั้นและกับพิจารณาไตรตรองด้วยเหตุและผล รู้เท่ารู้ทันรู้มันรู้สิ่งต่างๆรู้รอบขอบชิดไม่ยึดมั่นถือมัน่น<อ>จากนั้นรู้แจง้งเห็นจริงจากนั้นก็ไม่ปล่อยวางที่ใจ ใ, ในเมื่อมันไม่ใช่ของเราจะไปยึดถือมยึดมั่นถือมั่นได้อย่างไรแล้วก็ปล่อยวางที่ใจเมื่อปล่อยวางที่ใจใจก็หลุดพ้นจากอาสาวะกิเลสกิเลสราคะกิเลสโทสะกิเลสมหะกิเลสราคะก็คือความกำหนัดยิงดีงไปเห็นรูปด้วยตาไปเห็น ได้ยินเสียงด้วยหูด้วยจมูกด้วยลิ้นด้วยกายสัมผัสด้วยกายเราก็ติดในรถในตาในหูในจมูกลิ้นในกายในเมื่อเราไปเห็นจักตวเห็นรู้สักตาวารู้ได้ยินแต่สัจว่าได้ยินสิ่งทั้งหลายทั้งปวงศึดสักแต่ว่าอีกสักหนึ่งวันหนึ่งทั้งกายของเราก็ยังเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่แล้ว ของส่วนอื่นที่เป็นภายนอกก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเช่นเดียวกันเพราะฉนั้นเราจะไปยึดมั่นถือมั่นสิ่งเหล่านั้นว่าเป็นตัวตนของเราได้อย่างไรใจนะอย่าหลงนะใจนะพิจารณาให้รู้แจ้งเห็นจริงนะใจนะนี่แหละเราเอาธรรมะเข้าสู่จิตใจเอาเฉลียวฉลาดเอาสติปัญญาเข้าสู่จิตใจแต่จุดนี้เป็นจุดปัญญาที่เสียบแผลเป็นปัญญาในหลักของพุทธศาสนาเป็นปัญญาอันยอดยิ่ง แอบแต่ถ้าเราใช้มหาสติใช้มหาปัญญาแอบมหาสติมหาปัญญาให้แนบหนึ่งแนบแน่นในใจของเราเห็นรู้แจง้งเห็นจริงแล้วใจของเราก็จะเกิดความเบื่อหน่ายคลายไม่ยึดมั่นถือมั่นนิพพิทาคือความเบื่อหน่ายรู้แจง้งเห็นจริงแล้วใจของเราคนจักหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสไม่ยึดกายไม่ยึดใจ กายก็เป็นอนัตตามไม่ใช่ตัวตนของเราเป็นตัวตนของเราอีกสักวันหนึ่งเขาจะไปเผาไฟอ ย, าอยู่แล้วจะเป็นของเราได้อย่างไรใจของเราก็เหมือนกันเดีเ๋ยวก็คิดนู้นเดี๋ยวก็คิดนี้เดี๋ยวก็เจ้าหมองแล้วก็ผองใสเออเดี๋ยวก็เป็นทุกข์เดี๋ยวก็เป็นสุขเออเดี๋ยวหัวเราะเดี๋ยวก็ร้องไห้ถ้าเราดูใจของเราถ้าดูเราเอาสติเอาปัญญาจับเข้าไปดีๆแล้วนะนะดูใจของเราเนี่ยในความเสียใจนะั่นคือความร้องไห้ ความดีใจคือความหัวเราะมันมีอยู่ทั้งวันเลยในใจของเราถ้าเราเอาสติจับเข้าไปดูอย่างอย่างที่อย่างให้อย่างละเอียดเหรือนัันนะเราจะเห็นตัวของเราร้องให้หัวเราะร้องให้หัวเราะดำแล้วก็สว่างมืดสว่างมืดสว่างเศร้าหมองผ่องใสยอยู่ในจิตในใจของเราใจของเราก็ตัวเป็นตัว อ, อันนี้จังเหมือนกันคือตัวไม่เที่ยงเหมือนกัน สิ่งไหนไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกใช่เป็นทุกจริงใจของเรารับทุกเข้ามาสิ่งไหนเป็นทุกสิ่งนั้นไม่ใช่ตัวตนของเราเนี่ยปฏิเสธเลยกระทั่งใจของตนเองเมื่อปฏิเสธใจของเราใจของเราก็เบื่อหน่ายไม่ยึดมั่นถือมั่นใจก็หลุด เ, เป็นอมตะธาตุอมตะธรรมจะนี่ออกมาจากโลกทั้งหลายไม่สามารถที่จะยึดจิตใจความรู้สิ์จุดนั้นมาได้กิเลสของเราก็หลุดลอยออกไป เราก็เป็นอิสระใจเป็นอิสระใจเป็นธรรมทั้งแท่งฮะเป็นบร ม, มะสุขนิพพานังประมังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งไม่ต้องหาที่ไหนหาที่ใจของพวกเราท่านทั้งหลายนะรันวันนี้หลวงพ่อเองได้กล่าวสมุทนิยกถาได้หลายแนวทางแต่วันนี้เดนเน้นในภาคปฏิบัติเรื่องสมาธิเป็นสาคัญแต่เรื่องศีล เรื่องสมาธิเรื่องทานเรื่องศีลหลวงพ่อได้พูดมาหลายครั้งหลายคราวเป็นนานหลวงพ่อจะพูดเรื่องสมาธิในภาคปฏิบัติให้แก่พวกเราได้ฟังได้ศึกษาเนีนขอให้พวกเราท่านทั้งหลายนะนําไปประพฤติปฏิบัติที่หลวงพ่อแนะนําไปนี่หลวงพ่อมั่นใจว่าเป็นแนวทางของพ่อแม่ครูบาอาจารย์พาประพฤติปฏิบัติมาไม่ผิดแน่เหมือนกันจะให้พิจารณาอย่างนี้ครั ให้เห็นไตรลักษณ์อนิจังทุกขังอนัตตาอยู่ที่ใจให้เห็นอสุพร่างกายสังขารไม่ใช่ตัวตนของเราแล้วให้พิจารณากําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกถ้าพวกเราอยากจะให้สงบเป็นคนิกะอุปจาระอั ป, ปนา ต, ต้องกําหนดลมหายใจเข้าออกเป็นหลักแต่จะใช้กรรมฐานอื่นมาบริกรรมก็ได้กรรมฐาน40แต่สายของพ่อแม่ครูบายอาจารย์หลวงปู่มั่นท่านว่า เอาพุทโทนี่แหละอทดลองดูถ้าว่าไม่ถูกกับบริกรรมพุทโธจะเอาธรรมโอก็ได้สังโขก็ได้อกรรมฐานสี่สิบอย่างมาบริกรรมก็ได้แต่ว่าที่ท่านได้ใช้ได้ผลมากก็คือนี่แหละอนาปานาสติเนี่ยกำหนดลมหายใจเข้าออกพร้อมกับบริกรรมพุทโธพุทโธนี่แหละเป็นหลักอจากนั้นก็เมื่อกิจเข้าสู่ความสงบง บ, งบังคับ ออกพิจารณาทางด้านปัญญาและวิวปัจฉนานะในเมื่อวิปัจฉนาแลว้วแบพิจารณาทบทวนไตรตรองด้วยเหตุและผลร่างกายมีอะไรบ้างร่างกายนอกร่างกายในเวทนานอกเวทนาในใจนึกคิดเรื่องอะไรจากท่านขาถุงทักษสิ่งทั้งหลายทั้งปวงก็มาสู่จิตใจของพวกเราทั้งหมดที่จะเอาตัดขาดจริงๆที่จะเห็นมักเห็นผลจริงๆก็คื อ, คอใจท่านละทิ้ ปล่อยวางที่ใจใจหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสนะเป็นบร ม, มสุขนะาการพูดในวันนี้ก็เห็นว่าสมควรกับการเวล า, าโดยอำนาจคุณพระศีรัตน์ไตรุูธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์สิ่งศักดิ์สิทธ์ทั้งหลายคุ้มครองพวกเราขอให้พวกเราดวงตาเห็นธรรมในที่สุดโดยพร้อมเพียงกัน ข อ, อยุติในการพูดเพียงเท่านี้อตอนนี้ไปนั่งสมาธินัตตินีนะ